ตอนอบรมคอร์สนาวมินครั้งที่4ระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม2560ตอนที่หนึ่งก็ขอเจริญธรรมการวิตรทุกท่านนะมีความสุขที่ได้มาร่วมใช้ชีวิตที่นี่สองสาวันกับพวกเรานะจากวินาทีนี้เป็นต้นไปนะเพราะกูจะทำหน้าที่ถ่ายทอดประสบการณ์ทั้งทางโลกทางธรรม ให้พวกเราได้ยินได้ฟังส่วนจะรับได้มากน้อยแค่ไหนก็เป็นเรื่องของนาน า, นาจิตตังคาว่านานาจิตตังคือมันไม่เหมือนกันลูกฝาแฝดเกิดมาพร้อมกันพ่อแม่เดียวกัน DNA เหมือนกันคนนี้ที่แย่คนนี้ไม่ที่แย่คนนี้ไอจิวสูงคนนี้ไอจิวต่ำคนนี้แข็งแรงคนนี้ไม่แข็งแรงมันเป็นเพราะอะไรระบบพันธุ ก, กรรมเหมือนกันแต่กรรมาพันธุ์ที่สร้างมาไม่เหมือนกัน กรรมพันธุ์ที่มันฝังลึกอยู่ในใต้ DNA นั้นมันไม่เหมือนกันนะไม่ใช่พระเจ้าที่ไหนก็หมดนะก็ธรรมะคือสัจธรรมสัจธรรมคือความจริงการที่เอาความจริงมาสนทนากันคือการแสดงธรรมอย่างหนึ่งธรรมะไม่ใช่ภาษาบาลีไม่ใช่อยู่ที่อินเดียที่วกเขาหิมาลัยนะมันคือธรรมชาติมันคือความจริง น, นะและมันไม่ใช่ของาศาสนาใดาศาสนาหนึ่ง าศาสนาเพิ่งเกิดขึ้นในโลกนี้ประมาณไม่เกินสา0พันปีทุกาศาสนาก่อนหน้านี้ไม่มีาศาสนามนุษย์ก็ดำรงชีวิตมาเพียงแต่ว่ า, าศาสนาทุกศาสนาศาสน า, าทุกาศาสนาไปเห็นความจริงตามธรรมาชาติก็เอาสิ่งนั้นมาถ่ายทอดให้เราฟังนะพราถ่ายทอดปุ๊บมันก็กลายเป็นภาษาภาษามันไม่ใช่ความจริงมันเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นบางคนก็ฟังถูกบางคนก็ฟังผิดนะ บางคนเข้าใจร้อยนึ่บางคนเข้าใจ50ก็เลยแปลภาษาต่างกันก็เลยทะเลาะบวชแวงกันนะเอาเป็นว่าสองามวันนี้เนี่ยพวกคุณจะพูดความจริงให้พวกเราฟังโดยอาศัยภาษาที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นแหละแต่พูดเท่าที่พูดได้ความจริงนั้นต้องเข้าไปสัมผัสเองนะต้องเข้าไปสัมผัสเองเข้าไปในเว็บไซต์ของตัวเองนะเเาเข้าไปเว็บไซต์นี่เราก็ไปเห็นข้อมูลต่าง ส่วนมากเป็นข้อมูลซึ่งเป็นของคนอื่นนะประสบการณ์ของคนอื่นเราก็เป็นนักเรียนแบบนักท่องจามันเป็นโฮมควารู้ซึ่งไม่เกิดขึ้นจากเราเองเลยนะเราเป็นนักเรียนแบบทีนี้ไอ้ความจริงน่ยต้องเข้าไปในตัวเองนะเข้าไปพบอาจารย์เราท่านรออยู่แล้วอาจารย์องแต่ละท่านต้องไม่เหมือนกันนะไอ้วิชาต่างๆสอนให้ทุกคนเป็นหุ่นยนต์เหมือนกันหมดนะ มาใหม่ใช่ไหมมาม่ A B C กอไก่ขอไข่อันนั้นเป็นแค่องค์วิชาที่มนุษย์สร้างขึ้นแต่ความจริงในที่นี้เนี่ยมันมีอยู่แล้วคู่โลกคู่จักรวาลมีก่อนทุกๆกาศาสดาจะมาประสูติในโลกใบนี้นะแล้วท่านเหล่านั้นนะ่ก็เดินถอยหลังเข้าไปแล้วก็ไปพบสิ่งนั้นก็เอาสิ่งนั้นมาถ่ายทอดกับมวลมนุษยชาติแต่บังเอิญว่าหลหลา ย, ลายาศาสดามีจริตมีอนุสัยต่างกัน ก็เอาเทคนิคในการมาบอกกล่าวต่างกันนะมันไม่ใช่เรื่องผิดมันเป็นเรื่องธรรมชาติเมื่อเช้านี้พ่อครูหอมจากอุบนมากรุงเทพยุคนี้มนุษย์ต้องมีอภิญญานะพ่อคูหอมมาแค่ชั่วโมงหนึ่ง น, นะทุกวันนี้เราเอารู้ฮัลโหลเพื่อนอยู่ที่อังกฤษเราก็ฟังรู้เรื่องเราหูทิพและนะเออเขาแสดงเราบอยู่ที่โตเกียวเราก็เห็นแล้วเราตาทิพแลแต่เป็นอภิอภินยาซึ่ง เ, ออเกิดจากเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างขึ้นมาไม่ใช่อภินยาญาณเกิดจากจิตเรานะทุกดวงจิตมีอภิญญนยาอยู่แล้วเข้าไปในเว็บไซต์ของเรานะแล้วท่านจะเห็นว่าท่านเป็นใครเกิดมาทำไมตายแล้วไปไหนไอนะความสูขจริงๆเนี่ยมันรูปร่างหน้าตาอย่างไรมันมีกี่แขนกี่ขามันแต่งชุดสีอะไร ลองจินตนาการดูสิเราแสวงหาความสุขตลอดชีวิตเนี่ยเราพบมัหรือยังนะสําหรับพ่อครูเองเนี่ยถูกหลอกไป4ี่สิปีในชาติสุดท้ายนี้จริงแล้วเนี่เราหลงทางมาหลายชาติแล้วนะเกิดมาก็ถูกสอนว่าเรียนเก่งๆนะลูกหาเงินเยอะๆเมื่อรวยแล้วจะมีความสุขซื่อสัตย์มากซื่อสัตย์มากตั้งใจทําไปอยู่อเมริกาบ้าปมันก็รวยจริงๆแต่มันก็ยังหาความสุขไม่เจอ หรือว่าใครเจอความสุขแล้วช่วยยกมือขึ้นช่วยบอกพระครูหน่อยเป็นบุญเนาะมีใครเจอบ้างครับความสุขมันรูปร่างหน้าตายอย่างไรเราวาดออกมาได้ไหมมันมีกี่แขนกี่ขามันจัดชุดสีอะไรทุกคนสแสวงหามันแต่จริงๆแล้วเราไม่รู้เลยมันคืออะไรนะเริ่มจากตัวเองก่อนนะภาษาจี่บอกหัวอายุ ใครบ้างที่รู้ว่าตัวเองเป็นใครช่วยยกมือบอกพ่อครูหน่อยนะเป็นเป็นนะเอาบุญหน่อยหนึ่งนะคนนี้ท่านนี้ชื่อเล่นชื่ออะไรครับอออตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมใครตั้งให้ครับเขาเคยปรึกษาเราไหมใช่ไหมเกิดมาเป็นเบนี้ไม่มีชื่อไม่ใช่ท่านถือวิสาสานะตอนนั้นท่านปรึกษาเราก็พูดไม่เป็นใช่ไหม ท่านก็ตั้งชื่อที่ท่านเรียกและท่านมีความสุขแล้วตอนนี้นับถือาศาสนาอะไรพุทธใครให้เรานับถือเขาก็เขียนในทะเบียนบ้านในเนเกิดเลยโดยที่เราไม่ไม่รู้มันคืออะไรแล้วก็ส่งเราไปเรียนวิชาสร้างอนาคตเราได้กลายเป็นสิ่งที่สังคมอยากให้เราเป็น เราเลยไม่รู้ว่าเราเป็นใครดูหรือยังครับตัวเองเป็นใครหาเจอหรือยังเรามีชื่อสมมติว่าเป็นอ้อไอ้เจ้าของชื่ออ้อเนี่ยที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยมันคืออะไรเราเคยรู้ไหมไม่เคยไม่มีเคยสอนเราไม่มีใครสอนแล้วคนที่ ไม่มีใครสอนเราได้เพราะคนที่สอนหนังสือเราเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครตอนนี้คุณพ่อเวลาคิดนี่ใช้ภาษาไทยหรือภาษาจีนภาษาอังกฤษหรือภาษาเยอรมันคิดใช้ภาษาอะไรครับภาษาไทยภาษาไทยมาจากไหนมาจากไหนก็เข้าใส่มาให้เราอีกใช่ไหมถ้าเรารรศึกษาประวัติศาสตร์ประเทศไทยเนี่ยพอ่อขุนรางเป็นคนตั้งอักษรไทยขึ้นมา แล้วก่อนหน้าพ่อหุนลามในคนไทยเราใช้ภาษาอะไรสื่อครับเคยรู้ไหมครับเราก็คิดตามภาษาพูดตามภาษาทำตามภาษาทำตามภาษานี่จริงไม่ใช่ความจริงมันไม่ได้อยู่ในโลกใบนี้ตั้งแต่แรกเลยมันเป็นสิ่งที่มนุษย์สมมุติขึ้นแค่ไม่กี่ปีมาเอง มันคือสมมุติแล้วก็คิดตามสมมุติพูดตามสมมุติทำตามสมมุติเราจึงไม่รู้เลยความจริงเนี่ยมันคืออะไรไไเนอาเปนว่าเรามีโอกาสวางเวลาที่มีเรียกว่าอะไรล่ะ เ, เวลาซึ่งมีราคาของเราเนี่ยนะมามาทำอะไรก็ไม่รู้สองสามวันเนี่ยนะเราอาจจะมีอะไรแลกเปลี่ยนกันเยอะเนาะเพราะกูเข้าใจ พ่อู่สิ้นมาแล้วในทางโลกนะนักเลงเรียกว่าพี่มีอย่างเดียวที่ไม่ทําก็คือยังไม่ฆ่าคนตอนนั้นเองนะนงสี่สิบปีรุ่งไปตามโลกสินห้าบอกไม่ให้ทําอะไรเนี่ยทำหมดทำหมดไม่มีสินแบบนั้นอ่ะคนไม่มีสินบางอาจมานั่งอยู่ที่นี่มาพูดอะไรก็ไม่รู้เนาะแล้วยี่สิบแปดปีมาอยู่ในป่านั้นก็ไม่ต้องถือสินี้ แต่ไม่ต้องทําชั่วแน่นอนมันไม่ทําชั่วแน่นอนทุกวันนี้มือถือสากปากถือสินถือถือหลุดหลุด น, นะ <c oughs> ไอสินไอ้ศินตัวหนังสือนี่มันลุทซ่ า, าขึ้นมาทีหลังมันไม่ใช่สินจริงจริงสินคือความปกติของจิตเมื่อมันปกติแล้วมันไม่มีความอยากมันก็มีความแสสายนะทุกวันนี้ที่เราผิดสินเพราะเรามีความอยากเรนถึงไปโกขเขา เราถึงไปทำอะไรที่มันไม่ ม, มีผลไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายไปกินเหล้าไปเสพ ย, ยาไปสูบบุหรี่ทาร้ายตัวเองตลอดเห็นไหมเออเพราะว่าเรามีความอยากทาซานมีศีนห้าอยู่แล้วเต็มเปี่ยนนะเอาเอารถไม่ต้องเอ่ยชื่อยี่ห้อดีกว่าเดี๋ยวเขาฟ้องพ่อปู่ะเอารถเก๋งแพงๆ เ, เ, เลยเนี่ยไปให้มันอาซานบอกเก็บกลับ มันเดินทางมันก็โห้โหไปเลยเบาๆมันจะไปแบกไอ้นี่ขึ้นไปทําไมเห็นไหมเหมือนมันมีความอยางเพื่อจะนโอหกเราเพื่ออยากได้รถคันนั้นนะมันไม่เอาด้วยเห็นไหมเราเกิดมาเรามีศีลอยู่แล้วแต่พอถูกใส่ชื่อเข้าไปปุ๊บใส่อะไรปุ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บนี่พ่อหนะ้านี่แม่หนะ้านี่รวยหนะ้นี่มีความสุขนะความสุขมันเป็นแบบไม่ต้องรวยก่อนให้เกิดความมั่นคงนะั่นแหละก็เรียกว่าความสุขต้องสะดวกสบายต้องอะไรนะเขาใส่มาให้เราหมดเลย เราเลยเราคิดว่าความสุขเป็นอย่างนั้นจับภาพโมมัวละแล้วก็วิ่งไปตามเนี่ยเพราะกูตามไปสี่สิบปีนะเด็กเก่งๆนะลูกเมื่อรวยแล้วจะมีความสุขเมื่เอิญมันรวยแล้วมันหาความสุขไม่เจอมิจตความสะดวกสบายความสบาจความพึงพอใจนะเราไปเข้าใจว่าสิ่งนั้นคือความสุขนะ มันก็เป็นสุขก็สุขสุ ข, ส ข, ส ข, สขดิบดิบมันล่ะแต่มันไม่สุขแท้กาลังสุขดีๆเนี่ยเขาไมา่แย่งไปก็เลยทุกข์เลยถ้าสุขจริงๆเนี่ยใครเปลี่ยนเราก็ไม่ได้นะวันนี้พ่อคูเกินเกินอยู่นะแล้วก็ตั้งโจทย์บางทีว่าเอ๊ะเรามาทําอะไรที่นี่ทําไมต้องมาเสียเวลามาทําที่นี่โดยเฉพาะทางศาสนาทุกๆศาสนาเขาก็เรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมทําไมต้องปฏิบัติธรรมล่ะเพื่ออะไรละ่ะเห็นไหย เวลา24ชั่วโมงของเราเนี่แก้ปัญหาชีวิตเรายังไม่ไม่พอเลยนะไม่พอเลยนะนเราจะเวลาที่ไหนมามาทําอะไรก็มารู้ที่เขาเรียกว่าปฏิบททัติธรรมปฏิบาททาัติธรรมในแปล ง, ง่ายคือปฏิบัติคือการกระทําตามธรรมชาติไม่เนื่องด้วยกิเลสไม่เนื่องด้วยกิเลสตอนนี้เรากําลังปฏิบททัติธรรมอยาเรากําลังปฏิบททัติธรรม ท่า น, นี่เคยคิดอยากหายใจไหมเคยคิดอยากหายใจไหมไม่ต้องอยากใช่เก็มันเป็นสิ่งที่เราทำนี่คือปฏิบัติธรรมมันหายใจนี่คือปฏิบัติธรรมเรากินข้าวคือปฏิบัติธรรมเราอาบน้ำเรานอนเนี่ยคือปฏิบัติธรรมแต่ชีวิตเราตอนนี้ไม่ค่อยปฏิบัติธรรมนะเราไปทำตามกิเลสทำตามความอยาก อันนัไม่ใช่จะปฏิบัติตามธรรมชาติซึ่งเราควรจะทำเราทำตามความอยากนะเราอดเรานอนเพราะอยากสร้างอนาคตบางทีดีใจเกินไปหายใจไม่ทันก็ช็อกตายได้นะบางทีตกใจเสียใจมากเกินไปก็ช็อกตายได้หัวใจมันวายตายได้นะเห็นไห ม, มเพราะเร า, <ม>เราลาะเลยการปฏิบัติธรรมเนาะเราทำตามกิเลสเราไม่ทำตามหน้าที่ตามธรรมชาติ ใช่เพราถึงถามว่าใครเคยหยาหายใจไหมเออหยา ก, ก็หายพอหายหยา ก, ก็หยุดหายใจได้ไหมไม่ได้นะยกตัวอย่างง่ายๆก็คือการการปฏิบัติธรรมก็คือการทําหน้าที่ตามธรรมาชาติและการหายใจนี่มันซื่อสัตย์มากเลยตั้งแต่เกิดมามันไม่เคยหยุดเลยไม่ต้องลาไปห้องน้ําไม่ต้องไปลาคอดไม่ต้องลาป่วยเห็น ไ, ไหมเขาทําหน้าที่เขาตลอด โดยเขาไม่มีไม่มากเรื่องเห็นแต่ถ้าเราทำความอยากปุ๊พราะมันเบื่อมาหายอยากเนี่ยถูกบังคับให้ทำเคนรู้สึกทุกข์ละไม่พอใจอยากทำเขาก็ไม่ให้ทำอีกก็ทุกข์อีกเห็นแต่ลมหายใจเราเนี่ยมันไม่สนใจไม่มีพอใจไม่พอใจมันหายใจตลอดและเป็นสิ่งเดียวที่เราไม่เคยหยุดพักเลยแล้วนอนหลับ ไม่รู้เรื่องแต่ลมหายใจมันหลับได้ไหมมันหยุดได้ไหมมันหยุดไม่ได้ถ้าห ย, ยุดปุป๊บหมายความว่าคำว่าตายก็เกิดขึ้นนี่คือลมหายใจมันปฏิบัติธรรมนะสองสามวันนี้เนี่ยเรากำลังถอยชีวิตเราเข้ามาปฏิบัติธรรมมาเต้น ม, มาลัมมายือนอยู่เฉยๆเดินอยู่เฉยๆนั่งอยู่เฉยๆนอนอยู่เฉยๆ ปราศจากความคิดถ้าคิดปุ๊บไม่ใช่ปฏิบัติธรรมคิดปุ๊บกลายเป็นมโนกรรมการสร้างกรรมทางความคิดเนื่องจากเรามีความอยากเพราะครูเป็นนักคิดผู้ยิ่งใหญ่นะคิดทุกเรื่องที่เราได้ยินคิดทุกเรื่องที่เรามองเห็นเพราะเราเป็นนักทุรกิจเราต้องต่อสู้นะสู้ก็ได้จริงๆอยาได้เงินก็ได้เงินจริงๆมันมีของแถมมาด้วย มันเป็นไมเกรนขนาดนักเลยแล้วความเครียดก็ลงกับเพราะอีกทัางหาเพราะมันสร้างกำรรตลอดที่เราคิดเนื่องจากเรามีควา ม, ยาามอยากเรามีอนาคตเราจึงคิดวางแผนตลอดเวลานะเป็นไมเกรนนะแบบแรงเลยเราก็แก้โดยไปหาหมอหมอเอากินยาลังับประสาทไม่ให้รู้สึกปวดไม่ใช่มันไม่ปวดนะ แล้วถ้าประสาทไม่ให้มันรับรู้ปวดนั้นเท่านัเองอันตรายมากมันก็พัฒนาไปสู่โรคอย่างอื่นมาพอทิอยางมันหมดปุ๊บถ้าเราไม่เลิกคิดมันก็ปวดอีกแต่ตอนนี้ชีวิตเราเนี่ยกับความคิดมันเป็นคู่กันแล้วเราไม่เคยเชื่อเลยว่าคนเราไม่ต้องคิดก็ได้ เชื่อไ้มครับไม่ต้องคิดก็ได้ภาษาเนี่นคิดไหมถ้ามันคิดมั น, ค, นาาคิดตามภาษาอะไรเราคิดตามภาษาภาษาที่คือองค์ความรู้บังเกิดว่าภาษาไทยในยุคนี้ไม่ต้องไกลย้อนหลังไปห้าสิบปีก่อนภาษาไทยห้าสปีก่อนกับภาษาไทยเวลานี้ก็ไม่เหมือนกันนะอักษรเหมือนกันแต่เนอเยือมันไม่เหมือนกัน ภาษาไทยตรงนี้เนี่ยมันเป็นภาษาไทยที่แฝงด้วยการแข่งขันเสรีคิดแต่เรื่องเศรษฐกิจคิดแต่เรื่องทุนนะคิดปุ๊บก็กังวลกลัวจะแพ้กลัวจะเสียเปรียบนี่เราคิดตามภาษาไหมันก็เพิ่มความเครียดความกังวลความหงงใหญ่แล้วต้องถูกสอนว่าต้องเป็นนักเรียนดูนะเธอต้องพัฒนาตัวเองเรียนรู้ตลอดชีวิตอะไรเนี่ย มันก็ไปเสริมกลายเป็นกินเลสอยากรู้อยากเห็นทุกเรื่องเพราะกลัวว่าจะไม่ทันเขาเนีอันนี้กลายเป็นนิสัยเราแล้วล้วก็คิดตามนิสัยแล้วก็พูดตามนิสัยแล้วก็ทำตามนิสัยอันนี้กลายเป็นกินเลสเรามันไม่ได้มีขึ้นจากเราเกิดมาภาษาก็เหมือนกันเกิดมาปุ๊บเราไม่รู้ภาษา ทุกวันนี้เราเริ่มรู้ภาษาแล้วแต่ถ้ารู้ภาษานั้นถูกต้องเราก็สามารถใช้ภาษาเพราะกูกำลังใช้ภาษามนุษย์เนี่ยเป็นเครื่องมือมาสื่อสารกับพวกเรานะถ้าจิตมีเมตตามีปัญญาเราจะใช้ภาษาเนี่ยมาสื่อสารให้มันเกิดประโยชน์ต่อตัวเองและส่วนรวมทั้งหมดแต่ถ้าว่าจิตมันไม่มีไม่ไม่ไม่มีกุศลมันเป็นอกุศลและมีแต่ความโลภ มันจะใช้ภาษาเนี่ยมาขัดแย้งกันมาด่ากันมาทำร้ายกันมาสร้างคิดปุ๊บมโนกรรมพูดปุ๊บกลายเป็นวนจีกรรมเห็นไหพอพูดปุ๊บเขาก็พูดมาต่างคนต่างแรงที่นี่ตกไปเลยกายกรรมตามหม่เห็นไหมกรุงเทเพฯเขาพูดได้ยินข่าวอยู่ในป่าใน่ระเทนเขาพูดติดตาม ทุกอย่างในโลกนี้ทุกวันเปิดโทรทัศน์ปึ๊บเห็นเขาชกเลยเพราครูก็ น, นั่งดูดูเอาลงว่าไอ้คนชกมันเป็นยังไงคนเชียร์เป็นยังไงเปิดปุ๊บมีประกวดนางงามพราะครูก็ น, นั่งดูดูว่าเขามีอารมณ์อะไรคนประกวดมีอารมณ์อะไรกรรมการมีอารมณ์แบบไหนคนเชียร์มีอารมณ์แบบไหนพราะครูดูทุกเรื่องนะเพราะครูจะรู้ว่าขื้นอารมณ์ของโลกมนุษย์ต อ, ตอนนี้มันเป็นอย่างไรเรามีโปรแกรมในอดีตอยู่แล้ว นะถ้าเรารู้อารมณ์ปัจจุบันเนี่ยเราจะรู้อนาคตโดยไม่ต้องผ่านการนึกคิดมันเป็นหลักธรรมชาติมันเป็นหลักกฎแห่งกรรมอย่างเมื่อวานเราขายได้บาทหนึ่งนะเขาไมวเต์มันทึกบาทหนึ่งวันนี้เราขายได้อีกสองบาทปุ๊บมันเข้ามาสาบาทแต่ทุกวันนี้เราไม่ค่อยมีเวลามาเห็นความจริงกันเราคิดตามภาษา มันขึ้นเป็นสิ่งปรุงแต่งแล้วก็พูดตามภาษาทำตามภาษานะก็อันนี้ พ, อพ่อคูเกินเกินก่อนนะแล้วค่อยวกกลับมาว่าเอ๊ะพวกเราทำไมต้องเสียเวลาคําว่ามาปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องขําคือไม่ใช่เรื่องอพิธีกรรมทงางศาสนานะมันเป็นวิถีตามธรรมชาติเราลองมาใช้ชีวิตช่วสั้นๆสองสามวันเนี่ย มาปฏิบัติธรรมกันก็คือว่ามาทําอะไรซึ่งมันนี้ไม่เนื่องไม่เนื่องด้วยความคิดไม่เนื่องด้วยองค์ความรู้ของเราเราอายุเท่าไหร่กระชั้นลองเราถอยไปเป็นเด็กเอายุสามขวบมาเต้นมาลัมดูสิดูสิดูสิเมื่อเราดูปุ๊บเราจะเห็นความจริงว่าเรามีความรู้สึกอย่างไรใหม่ๆมา้ยอายุขนาดนี้มาเต้นมาลาัมเรารู้สึกอายเว้ยมันเขินเว้ยนั่นแหละเราเห็นความจริงว่า อายนี่ก็คือสมมุติเขินนี่ก็คือสมมติเป็นกิเลสเราชีวิตเราทุกวันนี้ที่เราทุกข์เพราะสมมุติและบัญญัติเนื่องจากว่าเรารู้เรื่องมารยาทเครียดไปหมดกลัวจะไม่มีมารยาทนะกลัวเขาจะว่าเราเด็กๆมันไม่กลัวนะมันดีใจเฮ่ไม่มีมารยาทมันเสียใจลงไปกิ้งกิ้งๆปุ๊บลุกขึ้นมามันก็เล่นกันต่อผู้ใหญ่เราเนี่ยแค้นนี้ต้องชาระ สิบปียังไม่สายแบกวูเขาอยู่นั้นหละเพราะผ่านไปเก้าปีสิบเอดเดือนยี่สิบเก้าวันอีกวันหนึ่งเนี่ยจะหมดวีซ่าแล้วคืนนั้นที่กลังตายกาลังจะหลับตาลงไปนอนคิดถึงขั่วนี้อีกมันต่อวีซ่าไปอีกสิบปีอันนี้ถ้าไม่เหวี่ยงมันทิ้งถ้าไม่ล้างมันออกนะตายแล้วเอาไปเผานะศลีล่าล่ากายเราก็ กลายเป็นอากาศธาตุที่เหลือเป็นธาตุดินแต่จิตวิญญาณที่บันทึกสัญญานี้เนี่ยธรรมชาติบอกอย่าค้ากําไรเกินขวรมันเผาไม่ได้ไอ้ความเครียดแค้นเนี่ยมันจะกลายเป็นพยาบาทมันจะเป็นล้างตามล้างตามเทมในอนาคตแ่ชั้นยกตยัวอย่างชีวิตนี้บางท่านอาจจะมีประสบการณ์พอเจอในกอเนี่ยถูกชะตามากเลย ไม่เคยรู้จั ก, กันนั้นแต่พอไปเจอในขอเนี่ยหมันไส้โดยไม่มีเหตุผลถามว่าทำไม <c oughs> นักวิทยาศาสตร์บอกพระครูหน่อยสิทำไมนะสตรีท่านหนึ่งขับรถไปยางระเบิดไปเจอชายชะกันห้าคนขับรถมาแก้ปัญหาให้และอีกวันหนึ่ง สตีท่านหนึ่งก็ขับไปที่เก่านั่นแหละเวลาเดียวกันแต่คนละวันยางระเบิดอีกไปเจอชายจักรกันห้าคนอีกกลุ่มอื่นนะมาฆ่าคงคืนอุบัติเหตุทั้งสองอย่างนี้ทำไมคนนี้รอดทำไมคนนี้ตายเราก็เข้าใจว่าบังเอิญบังเอิญมาเจอคนนี้มาช่วยบังเอิญเจอคนนี้มาฆ่าไม่มีแม้แต่นหนึ่งอย่าง มันเกิดขึ้นโดยบังเอิญแม้แต่หนึ่งอย่างนะมันเป็นไปตามอุบัติเหตุอ้ธาก็บังเอิญอุปัติเหตุไม่ได้แปลว่าบาังเอิญอุบัติขึ้นตามเหตุที่เคยสร้างมาสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเหตุเกิดผลจึงเกิดทั้งขั้วบวกขั้วลบนะที่เขาบอกว่าทั้งบุญทั้งบาป ทั้งกุศลกับอกุศลทั้งกรรมที่เราสร้างมากกรรมดีกรรมชั่นวนถ้าเงื่อนไขเวลามันยังไม่ถึงมันจะไม่สม่งผลนะอันนี้ปังคร่าวๆอย่าเพิ่งด่วนสรุปมันคืออะไรนะช่วงไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยพวกเราจะเข้าไปพบอาจารย์เราข้างในแล้วก็อาจารย์เราเนี่ยจะมาถ่ายทอดประสบการณ์ของท่าน มาให้จิตปัจจุบันเราไม่ใช่เรื่องไสยศาสตร์ไม่ใช่เรื่องอิทธิธิตปปฏิหารแล้วก็ไม่เรื่องเกี่ยวกับศาสนาใดๆทั้งนั้นมันเป็นธรรมชาติของชีวิตมนุษย์นะมันเป็นธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ <c oughs> มีหมอท่านหนึ่งเขาเก่งเรื่องปู ไปศูนย์ไปเยี่ยมพ่อคูพ่อคูก็ถามคุณหมอมนุษย์เราใช้อวั ย, ยวะอันใดเป็นตัวรับเสียงแกบอกขู่แกเก่งว่าขูอยู่แล้วพ่อคูบอกไม่ใช่คุณหมอไม่ใช่ได้ยังไงพ่อคูพิสูจน์อย่างไ ร, ค, ร, งไรคุณหมอเคยนอนหลับสนิทไหมชีวิตนี้เนี่ยบางวันเลยอย่างกับคนแล้วก็ลูกร้องไห้คุณหมอไม่ได้ยินเลยไม่ทำไร <c oughs> ใช้ต้องเป็นน้ำมะนาวเลยไม่ได้ทำลายประสาทหูคนหมอทิ้งเลยหูก็ดีๆอยู่ทำไมไม่ได้ยินเห็นไหมก็หวคนเก่านั่นแหละแล้วทำไมเวลานั้นที่เราบอกว่านอนหลับสนิทแล้วเราไม่ได้ยินใครหลับใครหลับนะเดี๋ยวพ่อครัไล่ไปด้วยนะใครหลับใครเป็นตัวได้ยีน ที่นี้วิทยาศาสตร์เราเนี่ยเก่งมากแต่ พ, พ่อครูใช้คําว่าเสียดายเราความเก่งเราเนี่ยไปสร้างแต่วัตถุเทคโนโลยีแล้วก็ไปวิจัยเรื่องรูปธรรมต้องชั่งตวงวัดได้อะไรช่า่งตัวนั้นไปได้ปฏิเสธหมดนะก็ยกตัวอย่างอย่างนึ่งว่ามีหมอคนหนึ่งเป็นหมอผ่าตัดนะคุณหมอเคยเคยเห็นหัวใจไม่เห็นศีรษผ่าตัดมาเยอะตั้งแต่ตอนเรียนเนี่ เอากบเอาเจียรติเอาหนูมาผ่าตัดตอนนี้ผ่าตัดจริงๆเห็นว่าหัวใจมันรุดด้วยพวกกูถามว่าคุณหมอทําไมหัวใจมันเต้นมันเต้นโดยตัวมันเองได้ไหมคุณหมอก็สะดุ้งเลยเอา้าไม่เคยคิดเรื่องนี้ก็ไม่เคยเรียนมามันจะคิดได้ยังไงน้องอยุตรยาคนนี้ตายใหม่ๆสมองทําไมคิดไม่เป็นทําไมหัวใจมันไม่เต้นรีบผ่าตัดไอหัวใจที่มันไม่เต้นแล้วเนี่ย ไปเปลี่ยนให้คนอื่นที่หัวใจมันล้มเดียวทำให้มันเต้นขึ้นมาอีกไงหัวใจนี่มันเต้นขึ้นมาอีกกําลังลไล่ไปนะนะที่เราได้ยินเลยหัวใจมันเต้นเนี่ยเนื่องจากมันมีนามมาทําที่เราเรียกว่าจิตวิญญาณนะศาสดาทุกศ า, า, า, า, าสนาหลายหายศาสนาเขาสอนเรื่องรูปกับนามวิทยาศาสตร์เอาเรื่องรูปอย่างเดียวปฏิเสธนามก็ เ, เลยแก้ปัญหาชีวิตไม่ได้ ทีจนมันปวดหัวก็ไปกินยาแก้ปวดนะแล้วับประสาทไม่ให้ประสาัคือทําให้ปราสาัเนี่ยแค่ว่าวันเราฉีดยาชานั่นแหละไม่ให้มันรับรู้ความปวดตรงนั้นเราแก้ไปเห็นพอทิศยามันปวดปุ๊บถ้าเราเราคิดอยู่เราก็ปวดอีกเห็นไหมอาการปวดหัวเนี่ยมันเป็นสัญญาณเตือนภัยของภูมิคุ้มกันโรคโดยจักรไมาชาท้องอื่นท้องร่วง นะอาการปวดหัวเป็นเรื่องที่ดีนะเป็นสัญญาณเตือนภัยว่าเฮ้ยเบาๆหน่อยนะมันเป็นความปกติความไม่ปกติเกิดขึ้นเพราะเราคิดมากเกินไปเพราะเรากินแบบไม่บรรยำบญัติเพราะมันอร่อยมันแซ่บไงเนาะบางคนกินส้มตำไม่ได้กินตํามะละกอ น, นะตำพริกเ่ยแดงไปทั้งคกเลยน ะ, นะคนยิสานนั่นแหละครูที่โรงเรียนสมัยก่อนเป็นเด็กๆ เขากินตำพิกนะมันอัดเข้าไปมันบอกว่าแทบชีพหายเลยรู้ว่าชีพหายจะอัดเข้าไปนะสุดท้ายก็เป็นโกกรคกระเพาะกันทั่วหน้านั่นแหละความไม่ปกติเกิดขึ้นจากเรากินอย่างขาดสติเราคิดอย่างขาดสติเพราะเรามีความอยากเพราะมันปวดหัวท้องอื่นท้องร่วงมันเป็นอาการปกติของร่างกายมันปรับสมดุลเห็นไหมทีนี้วิทยาศาสตร์เราก็ไปแก้ที่ที่ี่ปายเหตุ พ่อครูยี่สิบแปดปีไปอยู่ในป่านั้นไม่เคยปวดหัวแม้แต่หนึ่งครั้งเป็นไม่เกนมาหลายปีมันระเบิดตุ้มมันหายเวลานั้นเลยนะความเครียดลงกับเพราะก้างหายไปนั้นเลยแล้วไม่ต้องปวดเพราอีกทําไมมันไม่ปวดเพราะอีกเพราะมันไม่ต้องคิดเลยแม้แต่หนึ่งอย่างยี่สิบแปดปีพ่อครูถึงเห็นแล้วว่าโอ้เราหลงทางตลอดชีวิตถูกสอนให้เป็นนักคิดผู้ยิ่งใหญ่จริงๆแล้วเนี่ย มันสวนทางกับความเป็นจริงคนคิดเป็นคือคนไม่คิดมิใช่คนคิดเก่งคนคิดเก่งยิ่งคิดก็ยิ่งทุกข์เรียกว่าคนคิดไม่เป็นคุณคิดเป็นคุณคิดให้คุณทุกข์ทำไมคิดจนไม่หลับไม่นอนนะคิดแล้วก็สร้างอารมณ์ห่วงใยสร้างอารมณ์กังวลนั่นเหละคนคิดเป็นคนคิดเป็นทำร้ายตัวเองทำไมใช่ไหมคิดจนเป็นไมเก่ นะคิดจนเครียดพอเครียดสะสมปุ๊บภูมิคุ้มกันมันตกต่ํานะโรคภูมิแพ้ต่ามมาโรคมะเร็งต่ามมายี่สบแปดปีพอระเบดิดปุ๊บพวกอูเป็นออกมาเลยโรคมะเร็งหรือโรความภูมิแพ้ต่างๆเนี่ยต้นเหตุมาจากความเครียดก่อนเมื่อความเครียดแล้วภูมิคุ้มกันมันตกต่ำเห็นไหมแล้วกินสารพิษเข้าไปเนี่ยก็ไปรักษาด้วยยายายามันก็มันระงับ ประสาทมันก็บรรเทาระดับหนึ่งถ้ากินบ่อยๆมันก็มีสารตกค้างเมื่อความเครียดแล้วเหมือนรถยนต์เนีย่ยถ้าเราไม่ไปเข้าอู่ไม่เช็คไส้กองน้ํามันไส้กองอากาศบ่อยๆนะมันเปื้อนปุ๊บมันก็ฉูดฉีดน้ํามันเนี่ยสำลักแหวนลูกสูบก็พังหมดร่างกายก็เช่นเดียวกันนะความเครียด น, นี่คือที่มาของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเพราะภูมิคุ้มกันเราทํางานไม่เต็มร้อย ถ้าทุกท่านหลับตาดูเข้าไปมองในตัวเองนะเราประกอบด้วยอะไระเริ่มจากดินน้ำลมไฟแล้วมันก็ไปแยกอวัยวะต่างๆมาทำหน้าที่ต่างกันหัวใจมีหน้าที่ปั๊มเลือนลมหล่อเลี้ยงร่างกายเป็นกระดังเก็บอารมณแล้วก็มีสมองกดไอคอมพิวเตอร์ที่เราไปลงมันเก่ง ๆ, ๆเนี่ยมันเกิดจากสมองมนุษย์นะเพราะกูเป็นคนไทยกลุ่มแรกๆที่ผลิตคอมพิวเตอร์ขายทั่วโลกที่อเมริก แล้วมันมีเครื่องฟอกอากาศมันมีเครื่องย่อยสลายอาหารของดียัวมาใช้ของเสียขับทิ้งมีเครื่องขับนะ้ําเสียขับกา ก, ากอาหารอีพรกพวกคุณนั่งดูที่นี่ไม่มีใครเสียปั๊กไฟสับป่นใช่ไหมคอมพิวเตอร์ไฟดับปึ๊บทํางานไม่ได้อถึงจะมีเทปไปขับก็ได้ชั่วข่าวเห็นไหมของเราไม่ต้องมีอะไรเลยอัตโนมัติ คอมพิวเตอร์ดีมันไม่รู้สึกเจ็บแข็งทื่อของเราเนี่รู้สึกร้อนรู้สึหนาวรู้สึกเย็นเรามีสิ่งมหาศาลจัน์เนี่ยแต่เราไม่เคยมีเวลาดูแลมันเลยบางครั้งก็กลัวมันตายช้ามะให้มันแบกมันหามนคิดคิดคิ ด, ค ด, คดจนไม่หลับไม่นอนนะทั้งหมดคือคือทุกคนมีความอยากทุกคนยังไม่ใช่พระอรหันต์ นะแต่มมนอยากเกินไปจนทำอะไรเกินตัวแล้วสุดท้ายบางทีก็หาเงินมารักษาโรคนะวันปลายชีวิตนะก็ทั้งหมดก็คือว่าเราไม่เคยถูกใครสอนเราเลยบอกว่าชีวิตคืออะไรนะตื่นเช้าขึ้นมาลืมตาก็เห็นแปลงสีฟันยาสีฟันเห็นเสื้อผ้าพ่อแม่พี่น้อง เห็นสามีภรรยาเห็นบ้านเห็นช่องเห็นการเห็นงานเห็นเงินเห็นทองพอกลางคืนหลับตาลงปุ๊บเหมือนคนตาบอดไม่เห็นอะไรเลยนีทุกวันทุกวันก็เป็นเช่นนั้นนะสามวันนี้นะครับเราดึงเราชีวิตเรามาอยู่กับตัวเองนะมาอยู่กับตัวเองแล้วเราจะเห็นตัวเองอย่างแรกคือเห็นว่าตัวเองเป็นอย่างไรก่อน เอ๊ะเราเป็นนักคิดผู้ยิ่งใหญ่หรือไม่มันคิดไม่เรื่องไม่แล้วเลยนะเมื่อเราเห็นมันปุ๊บเราก็ไม่ถูกความคิดนั้นหลอกเห็นมันคิดเฉยๆอย่าไปคิดตามมันนะแล้วก็เห็นอาลมเราให้มันเบื่อเว้ยมันหงุดหงิดเว้ยนั่นแหะเราเห็นความจริงว่าเรามีอะไรซ่อนอยู่ในตัวเราเห็นบ่อยๆบ่อยๆและก็บ่อยๆต่อไปกิเลส ที่มันสร้างอารมณ์เหล่านั้นมันจะหลอกเราไม่ได้จิตเราจะอิสระจากมันเมื่อจิตอิสระแล้วจิตผ่อนคลายแล้วนะมันจะเกิดพลังจิตขึ้นร่างกายก็แข็งแรงตามมานะกายจิตมันอยู่ด้วยกันชีวิตเราทำงานต้องร่วมกับกายจิตนะกายจิตมันสร้างอารมณ์ เรามีสามอย่างคือกายจิตอารมณ์โปรแกรงนี้จึงเรียกว่ากายฟิตจิตเฟิร์มอารมณ์ดีชีวิตมีสุขแค่นั้นก็สุขแล้วไม่ใช่ว่าต้องได้เงินก่อนต้องชนะก่อนต้องเก่งก่อนค่อยสุขไม่ใช่นะถ้าสามอย่างนี้เราสมดุลความสุขก็เกิดขึ้นกับเรานะครับทีนี้ก็มาย้อนมาว่าวิธีพอครูเป็นอย่างไรอันดับแรก ก็ต้องบอกว่าวิธีนี้ไม่มีวิธีแนวทางศูนย์พรลานคอยเป็นอย่างไรแนวทางที่ศูนย์พระลานคอยคือไม่มีแนวทางไอ้ที่ไม่มีแนวทางคือแนวทางของเราไม่มีชื่อเรียกถ้าตั้งชื่อปุ๊บกลายเป็นรัฐที่นี้กาย ท, าทันทีมันจะแข็งทื่อ ท, ทันทีอย่างในป่าดงดิบเนี่ยไม่มีรัฐธรรมนูญ ไม่มีกฎหมายไม่มีระเบียบวินัยสัตว์ทั้งหลายอยู่อย่างสันติเสรีโดยแทนนกฝรั่งเศสบินมาเมืองไทยไม่ต้องขอวีซ่าแต่มนุษย์เรามาทําลายเสรีเหล่านี้ประเทศเธอประเทศฉันนะไปไหนต้องขอยอนุญาตแล้วเธอก็กังวลเธอก็กังวลเราทําลายเสรีแล้วก็มาเรียกร้องเสรีกันซึ่งมันไม่ใช่เสรีที่ที่บริสุทธิ์เสรีมีอยู่แล้วนะ สองวันนี้สวันนี้เรามาปลดปล่อยจิตเราให้สัมผัสความอิสระเสรีนะและเราจะรู้ว่าไอความอิสระเสรีถ้ามีวิธีตายตัวนะทุกคนเป็นหุ่นยนต์เหมือนกันหมดเลยนะทำตามเหมือนกันหมดเลยอันนั้นเป็นแค่องค์วิชาอย่างหนึ่งมันไม่ใช่หลักธรรมชาติธรรมชาติของแต่ละคนต้องไม่เหมือนกัน และเราสะสมบารมีมาเราสะสมกำลังมาแล้วเราแบ่งกรรมมาก็ไม่เหมือนกันเลยนะการแสดงออกต้องไม่เหมือนกันนี่คือความจริงนี่คือธรรมะความจริงมันต้องไม่เหมือนกันต้องไม่เท่ากันนะน้ำแก้วหนึ่งเราใส่ลงไปมันก็ตกตะกอนอยู่ข้างล่างเราน้มันลงไปมันก็กรลอยอยู่ข้างบน เราเกลือลงไปปุ๊บมันก็ไปอยู่ตรงบนนายทั้งหมดเป็นหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวคือทั้งหมดเป็นหนึ่งเดียวอยู่ในแก้วใบเดียวกันแต่ทั้งหมดไม่ต้องเหมือนกันทีนี้ไอ้รัฐที่นิกายต้องการให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวเท่าเทียมกันหมดเนี่ยคนใหญ่เลยคนปุ๊บมันก็ขุนหมดเลยตอนนี้ขุนไปทั้งโลกพอทิ้งไปปุ๊บมันก็ตกตะกอนอีก ก็จะเกิดมาลูกฝาแฝดมันยังไม่เหมือนกันเลยแต่ไอความคิดบัตรจะให้ทุกคนนี่เหมือนกันหมด อ, อมีคุณภาพชีวิตเหมือนกันทุกคนเท่าเทียมกันมันจริงเป็นความคิดมันเป็นอุดมคติของความเชื่อที่ไม่ถูกต้องมันไม่ตรงตามความเป็นจริงของธรรมชาติมันถึงขัดแย้งกันทุกวันนี้แม้กระทั่งพวกเราเนี่ยเขาบอกว่าอาวิชาแปลว่าความไม่รู้คือความโง่เราตัวโง่ามากเลราเรียนรู้ใหญ่เลย เรียนจะจบปริญญาเอกเขาให้ตำแหน่งด็อกเตอร์ทางภาษาศาสตร์เห็นหมมหาวิทยาลัยเดียวกันคณะเดียวกันจบพร้อมกันออกมาคุยกันไม่รู้ภาษาต้องต้องเก่งภาษาเก่งที่สุดแล้วไงทำไมคุยกันไม่รู้ภาษาเคยคิดเรื่องนี้ไหมครับสมัยก่อนเราไม่รู้ภาษานะเราเล่นกัน ทะเลอะกันคุณแม่บอกลูดลูกหยุดหยุดหยุดไม่หยุดเลยไนงะเพราะเขารักแม่ตอนนี้พอเรียนชั้นสูงแม่พูดคํานึงเทียงไปสิบคำเลยแม่เต่าหล้านปีเข้าอินเทอร์เน็ตก็ไม่เป็นอย่าพูดมากนะเห็นไหมเขาเริ่มมีอัตราแล้วเขาหลงว่าเขารู้ความรู้ที่เขาไปรู้ในอินเทอร์นเน็ตน่ยรู้ทั่วโลกไม่มีแม้แต่หนึ่งความรู้เป็นของเขาเลยเขาเป็นแค่นักก๊อปปี้นักเรียนแบบก็เลยสร้างอัตราขึ้นมาตอนนี้ยิ่งเรียนรู้ก็ยิ่งคุยกันแต่เรื่อง อย่าว่าจะเด็กนะเด็กมันมันทะเลาะ ก, กันเนี่ยมันก็เริ่มันก็เล่นกันต่อมันไม่แทนน ะ, นะผู้ใหญ่เนี่ยกดไวนะ้แทนเราถึงเครียดไงนะและยิ่งยุคต่อไปนะโดยเฉพาะใช้ชีวิตกรุงเทพนะโอ้น่าเป็นห่วงเลยละ่ะเนาะออกบ้านทีนึงเนี่ยโอ้โหรถติดร่อะไรวันหนึ่งทา ง, งานได้ชิ้นเดียวเนาะแล้วก็อะไรก็ไม่รู้เราเปลี่ยนสังคมไม่ได้สิ่งว่ารอไม่ได้แต่เราเตรียมความพร้อม ไม่งั้นเราเดียงนะยิ่งยุคต่อไปเห็นแล้วเนี่ยอายุ 4.05006.0 ชั่คือเดี๋ยวพอคูจะลืมนะก่อนจะเข้านั้นมนุษย์เราเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นที่แสวงหาความหมายเราไม่เคยพึงพอใจสิ่งที่เรามีเราเป็นเลยเห็นั้มมันถึงไม่พอไง สร้างตื่ขึ้นมาสิบชั้นเหนื่อยมากก็ลองไปนอนเห็นเขามีร้อยชั้ น, น่อยไม่ได้ครับเดี๋ยวมันจะดูถูกเราเดี๋ยวมันจะว่าเราบางทีเขาไม่เคยคิดเรื่องเราเลยเราคิดตัวเองกัดฟันสร้างสร้างขึ้นมาเกบเ้าชั้นกำลังจะขาดใจตายไม่มีแรงจริงๆตายไม่ลงเพราะว่าตั้งใจมาตลอดชีวิตอีแค่ชั้นเดียวจสู้กับมันได้แต่มันไม่มีแรงแล้วทำยังไงเรียกลูกเรียกหลานมาสร้างต่อกลัวมันไม่ทุกเหมือนเรา โดยที่เราก็ไม่รู้ว่าสร้างไปทำไมถูกสอนว่าชีวิตต้องสู้ไงแล้วสุดท้ายสู้จนวันตายตายไม่ลงทั้งหมดคือเราไม่เข้าใจชีวิตคืออะไรบอกชีวิตคือการต่อสู้นะศัตรูคื อ, อยา ก, กําลังคนโบราณก็บอกก็ไม่ได้ผิดนะสําคัญว่าสู้กับอะไรศัตรูที่ว่านี่มันคืออะไร ทุกวันนี้สู้ตายหมดสู้จนวันตายคนมีปัญญาต้องสู้ให้มันเป็นไม่ใช่สู้ให้มันตายสู้ให้มันเป็นสู้ยังไงสู้ไปต้องอย่างมีมีความสุขสู้กับกิเลสตัณหาอุปทานเรายอมแพ้คนเพื่อชนะกิเลสดีกว่าแพ้กิเลสเพื่อชนะคนนั่นแหละเป็นทางเดียวที่ทําให้เราไม่ทุกข์นียสู้กับกิเลสตัณหาอุปทานนะคู่ต่อสู้เราคือกิเลสตัณหาอุปทานและกระแสกรรม แต่ตอนนี้เราไปสู้กับมนุษย์ยุคทุนนิยมนะเพราะูทุนใหญ่นั้นทุนฆ่าชาติเลยล่ะดูว่าเขาคิดอะไรตอนนั้นเราก็คิดแบบนั้นทุกบริษัทห้างร้านทุกคนต้องเพิ่มอาวุธทางปัญญาพูดหน้าตาเฉยนะไม่ใช่พูดเฉยๆเน่ยทำจริงๆด้วยเพราะผูถามว่าคุณจะเอาอาวุธไปฆ่าใครฆ่าเสือสิงห์กัะจิงแร่หรอไม่เอาฆ่า ค, คู่ต่อสู้ที่เป็นพี่เป็นคู่แข่ง แค่ที่จะเฉยก็เป็นมโนกรรมนะพูดก็ว่าจีกรรมทำพุ๊บกายกรรมไหนนี่ทําจริงๆเลยการชนะของเราเกิดขึ้นจากทาให้คนอื่นแพ้นะมันสนุกดีเนาะมันเป็นบาปน ะ, นะแล้วเราจะสง บ, บสุขไม่ได้เราทําเขาได้เขามาแก้แค้นเราได้แล้วจะนอนหลับหรือเปล่ า, าทั้งหมดก็คือว่า เราถูกใส่โปรแกรมตั้งแต่เราเด็กขก้นมาแล้วเราคิดนอกโปรแกรมนี้ไม่ได้นะก็เอาเป็นว่าวิธีสองสามวันนี้เนี่ยที่เราจะปฏิบัติร่วมกันนี้ไม่มีวิธีไม่ต้องกำหนดไม่ต้องสั่งการไม่ต้องฝึกไม่ต้องเรียนภาษาอังกฤษบอก just do it ทำเลยทุกคนทำได้หมดไม่เกี่ยงอายุ ด, ด้วยนะทำด้วยกันได้หมด เราไม่คุ้นเคยหรอกอย่างเราไปเต้น阿拉伯ยังต้องมีสเต็ป ม, มีท่านะลึกๆมันยังไม่อิสระมันกลัวจะเต้นผิดนี่นี่คือชีวิตเรามันเป็นแบบนี้นะและ้วแถวนี้เ็ากาลังฮิตอะไรเรียกว่าอะไรแก้วชิ้เ ป, ประคูที26นะเต้นนั้นก็ลื่นเลงก็ได้กายภาพบพิบมไปเฉยๆนะแต่จิตวิญญาณไม่ได้อะไรมันไม่ได้ความอิสระมันก็มีท่าตายตัวทุกคน ก็ทำตามท่าที่ที่เขาสัง่งชีวิตเราไม่เคยอิสระเลยโปรแกรมกายพิจิตเฟิรม์มอารมณ์ดีชีวิตมีสุขไม่มีการสั่งการไม่มีการกระทาเกิดขึ้นนะไม่ต้องเรียนไม่ต้องฝึกทำเลยอันนี้เข้าๆ เ, เดี๋ยวเราเข้าไปสู่การกระทาเราจะรู้ว่ามันคืออะไร เราจะสัมผัสความอิสระและจิตมันจะมีพลังแต่ถ้ามีการสั่งการปุ๊บมันเป็นการสมองนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายในสั่งการเนี่ยจิตจะไม่มีวันอิสระร่างกายเป็นแค่เครื่องมือของจิตจิตเป็นนายกายเป็นบา่าวเราใช้ร่างกายเคลื่อนไหวต่างๆนานากระชั้นเนี่ยนะเพื่อเพื่ออาศัยพลังที่เราจดจ่ออยู่กับมันเป็นหนึ่งกับมันเนี่ยถ้าปลดปล่อยให้จิตเรามีความอิสระแต่ถ้ายังสั่งการอยู่นะ ยังมีการควบคุมมันอยู่เนี่ยจิตจะอิสระไม่ได้มันมีแค่นี้มันไม่มีอะไรมากนะสามชมมั่วโมงบรรลุธรรมพวกครูเกิดมาไม่เคยนั่งสมาธิไม่เคยรู้เรื่องศาสนาก็เหมือนกันนะเขาใส่ให้เราเป็นเป็นพุทธตั้งแต่กำเนิดแล้วก็เป็นพุทธโดยที่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรโชคดีมากบุญเก่าเยอะมาก ที่พวกกูไม่รู้ว่ามันคืออะไรถ้ารู้สามชั่วโมงนั้นมันเกิดอะไรขึ้นเราจะมีความดังเละเสินใสเอ๊ะอันี้มันเรียกว่าอะไรเอ๊ะอันนี้มันคืออะไรเอ๊ะมันใช่หรือเปล่ามันจะไม่มีพลังมันเกิดขึ้นเราเห็นมันหมดเลยมันเกิดจากอะไรนะพวกกูไม่เคยเชื่อเรื่องเวรไหว้ตายเกิดบาปบุญคุณโทษกฏแห่กัรมเขามาพูดไล่ดีไปไหนกันไปไกล เราผลิตคอมพิวเตอร์ขายเราต้องการหนึ่งมกหนึ่งเป็นสองอะไรที่พิสูจน์ไม่ได้ไหมไม่เชื่อแต่ละจำมันเกิดพริกจิตเกิดเราเบิดขึ้นมาตอนนั้นน่ะสิ่งที่เราสัมผัสเนี่ยเราบอกว่าเชื่อหรือไม่เชื่อไม่ได้มันหยามเกินไปแล้วบอกว่าเชื่ อ, อ, อ, กก อ, องูก็ไม่มีขาแล้วบอกไม่เชื่องูก็ไม่มีขามันเป็นเช่นนั้นเองมันไม่มีเหตุผล มันเป็นความจริงตามธรรมชาติทุกคนต้องไปสัมผัสเองรู้ก็รู้ได้เฉพาะตนเพราะกูพูดก็พูดได้แค่นี้แต่ไม่สามารถบรรยายสิ่งที่เราสัมผัสเราเห็นนั้นได้แต่ที่นี้เอาล่ะแล้วชีวิตเราเปลี่ยนอะไรสู่บุรีวันหนึ่งสามสี่ซองเพราะเป็นนักคิดผู้ยิ่งใหญ่กินเหล้าทุกยี่หอ้อยิงนกตกปลาเป็นเกมกีฬาเอาชีวิตสัตว์เนี่ย มาเป็นเครื่องเล่ น, นมาสนุกสนานกับความแม่นปืนของเราไปตีกรอบไปเล้นลำไปเล่นการพนันทั้งหมดเพื่อสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินเพื่อกบเกิ น, น, นความเบื่อเท่านั้นเองพอเที่ยวเสร็จกลับมาทุกก็เบื่อเบือ่อโดยไม่รู้เหตุผลเนี่ยเพราะกูไปเจอทุกข์ที่นูน่นทุกอยู่ข้างกาง กองเงินกองทองทุกอะไรกันนั่นหนาะมีเงินก็มีเงินแล้วนะมันไม่เกี่ยวกับเงินที่มันทุกเพราะว่าเราไปหลงว่าเราเก่งเรามีอีโก้เรามีตัวตนนะพราะกูเป็นคนไม่ไม่กลัวปัญหานะการทำงานคือการแก้ปัญหาถ้าไม่มีปัญหาก็ไม่มีงานทำเพราะกูสนุกกับการเล่นเกมแข่งขันนะยิ่งไปเจอตัวใหญ่ยิ่งมัน ไปเจยตัวเล็กๆเกนี่ยมันไม่ได้ใช้กำลังอะไรไม่สนอันนั้นไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือว่ามันเบื่อโดยไม่รู้เหตุผลถ้าเรารู้ว่าเบื่อเพราะอะไรเราก็แก้ได้เหมือนจิตเขาถามเราว่าเก่งจริงแก้สิแก้เลยพอเราคิดที่จะแก้ปุ๊บความคิดก็คิดตามภาษาว่าทำไมโง่าจังไปเที่ยวไปเลยไปมาหมดแล้ว ทำอะไรที่คนอื่นไม่ได้ทำานะ่ะทำมาหมดแล้วซีซัวทาเพื่อเพื่อสะใจเนี่ยมันทุกข์มากมันเป็นกันอาการที่ไม่ใช่เจ็ดวันนะเจ็ดปีเต็มเลยละ่ะเป็นอาการแบบนั้นฆ่าตัวตายก็ได้เพราะเราหลงว่าตัวเองเก่งนตะ่เราแก้ปัญหาไม่ได้ปัญหาคนอื่นแก้ได้หมดธุรกิจเรื่องเล็กแต่เราแก้ความเบื่อไม่ได้ เพราะมันไม่มีเหตุผลต้องคิดไม่ออกไม่ทําไมมันเบือ่อมันเบื่อทําไมลหลักคือครอบครัวไปเห็นทุกที่นูนแล้ววันสุดท้ายที่มันเปลี่ยนชีวิตเราตั้งวันเนื่องจากความอยากเราไนะี่ยนำพังแค่ร้านอาหารในครอบครัวเรามีหลายร้า น, นกินก็ไม่หมดแล้วล่ะมันเหนื่อยเหนื่อยแต่กายตื่นเช้ามามันก็มันก็หายเหนื่อย ไม่จับธุรกิจคอมพิวเตอร์อันนี้ไม่คิดไม่ได้เนามันเปลี่ยนรุ่นใหม่ทุกวันนะลืมตาหลับตาปุ๊บรุ่นใหม่ทุกวันถ้าเราช้ากว่าเขาหนึ่งเก้าหมาถึงขยะหมดเพราะมันขายไปทั่วโลกตัวเลขมันเยอะมากถ้าเร็วกว่าเขาครึ่งก้าหมาถึงมหาศาลตอนนั้นมันเป็นเกมที่มันเร่งเร็วมากกว่าเกมเก่งเขาสิเก่งแต่มันก็สะดวกนะมันไม่ได้ทุกข้อสิ่งนั้นกังวลไปบริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ก็คือก็แยกรายไปดูแลร้านอาหารคนละร้าน กลคืนเที่ยงคืนปีหนึ่งเอาถุงเงินกลับบ้านไปทุกวันไม่มีแรงหรอกที่จะเป็นจินจัดการเรื่องเงินทิ้งมันอยู่ในบ้านเงินดอลลาร์ทีนี้ไม่รู้อะไรกัดมันถุงขาด น, นะเหม็นไปทั้งบ้านเลยไม่ใช่พ่อคูดูถูงเงินนะไม่ใช่พ่อคูเหม็นเงินแต่เงินมันเหม็นมากขอทานก็จับเทขายาก็จับเศรษฐีก็จับนะพวกทํางานแบงก์สมัยโบราณเอาเงินนับเอาเน้น เป็นมะเร็งโดยไม่รู้ตัวทุกคนก็ฝ่ฝันหนะึ่ทุกข์กับมันะพวกกูก็ทุกข์กับมันเหมือนกันนะไม่มีเวลาจัดการนะและเรื่องพวกนี้สมัยก่อนเราสามารถเชื่อคนอื่นได้ไหมหลัเรื่องเงินเั็นทองนะความอยากของเราทำให้เราหาเรื่องทุกข์โดยไม่มี ไม่มีเหตุผลไปทุกข์กับเรื่องไร้สาระนั่นแหละคืนนั้นเด็กๆ เ, เขาเคลียบบัญชีเสร็จในร้านอาหารพะ ก, กูไม่กลับปิดะนะกุญแจร้านอาหารเมืเออเราก็มีถ้าคนดิศสายเราต้มีหิ่งพักนะนะมีหิ่งไว้พรวนะุนลูกเราลงไปกราบพระพุพะทธธรรมประสงค์ถ้าเรื่องหลุดเรื่องพ้นมีจริงเนี่ยพร้อมแล้ว ถ้าคุณพเจ้ามีจริงต้องช่วยคนทุกถูกบังคับให้ถือศาสนาพุดมาสี่สิบปีทมันมันทุกข์ขนาดนี้ไปโทษคนอื่นอีกทั้งที่เราไม่เคยศึกษาเลยว่ามันคืออะไรนั่นแหละพอเสร็จพุดก็นั่งหลับตาทุกท่านนั้นเงียบๆนะได้จิงเสียงอะไรเสียงแอดังใช่ไ เสียงแอดังก็เอามาคิดอีกไอ้แอร์นี่ผมเปลี่ยนมาไม่นานแพงก็แพงแต่มันดังอย่างนี้ได้ประโยชน์ได้ยินเสียงที่หูหัวใจเต้นปุ๊บก็ดึงจิตเข้าไปรู้ที่ใจวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาข้างในมันเกิดอาการหมุนขึ้นนะตอนนั้นไม่รู้เรื่องภาษาว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่เห็นขบวนการมันทํางานนะมันหมุนใหญ่เลยทีนี้มันก็เต้นเหมือนคนเท่าทรงมันหมุนระหว่างหูกับใจเหมือนลงเต้นเตนเต้นเตๆน นะประมาณขึ้นชัว่วโมงประมาณเนาะทีนี้มันก็พลิกกลับมันก็หมุนอย่างนี้หมุนอย่างนี้มันเครื่องซักผานะหมุนจากข้างล่างไปถึงข้างบนมันก็เอาไอร้อนพรากูเป็นโทสซจริทนะนักเลงเรียกว่าพี่ตัวเล็กๆเนี่ยโมโหลายมากเป็นคนจริงจังนะมันก็ปุ๊บปมันดันเอาไอร้อนแล้วออกมาสักพักหนึ่งเหมือนตัวเราลอยได้นะไม่ได้ดึงตาว่ามันลอยได้จริงๆหรือเปล่า มันเบาเบาเบาอะนะทีนี้ก็เหมือนเครื่องฉีดนนะ้ำตั้งแต่ปลายเท้าเนี่ยลงมาจนถึงใบหน้าตรงนี้มันเหมือนชาไปหมดเนี่ยทีนี้มันเหมือนเครื่องเจาะทุกเส้นผมนี่มันเจาะเจาะเจาะเจะนะมันเจาะเจาะเจาะเจาะนะตอนนั้นกลัวละนึกๆ ก, กลัวละทําไมมันแรงอย่างงี้นะพอเรากลัวปุ๊บมันมาหมุนที่หัวก็กลัวหมุนหมุนหมุน คล้ายๆไม่มีกระดูกแล้วคล้ายๆมันหมุนรอบอย่างนี้บอกแล้วหยุดไม่ได้และมีสติตลอดรู้ตัวตลอดนะ mm. มันก็เวียงหมุนไอ้ตัวความกลัวเราทิง mm. ทีนี้ไอ้ตัวเบื่อมันลอยขึ้นมาไหนบอกว่าเบื่อไงเออมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ช่างแรกๆคิดมันกลัวเพราะอะไรว่าจริงๆแล้วกลัวตายไม่ได้กลัวนันตอนนั้นกลัวว่าถ้าเราเป็นอะไรไปมาเนี่ยครอบครัวทําอย่างไรวินาทีนั้นลูกสาวคนโตขว่มึน ความเป็นห่วงเขาไงนะความเบื่อขึ้นมาชนะความกลัวได้ความเบื่อชนะควากลัวได้มันยอมตายเขาเลยเอะไรจะเกิดก็เกิดมันเกิดอาการระเบิดรงลงไปคำว่าสว่างสงบสาไม่ใช่เรารู้สึกนะตัวเราถูกระเบิดจริงแล้วมันตายไปแล้วเหมือนเรากลายเป็นสิ่งนะั้นก็คิดว่าประมาณตีสองกว่าๆ ก, นะก็เหมือนนอนอยู่ตรงนั้นนะ่ะ อยู่กับสว่างสงบสะอาดพอลืมตาอีกทีหนึง่งปุ๊บตีสามพอดีจัดเนี่ยคือสามชั่วโมงเปลี่ยนชี ว, วิตผมพอลืมตาก็สว่างหลับตาก็สว่างมันเหมือนอาการง ง, งๆนี่ยจเกิดมาไม่เคยรู้สึกว่ามีความสุขขนาดนั้นเวลานั้นที่มันสุขเพราะไอ้คนมันเบื่อนะมันถูกฆ่าทิ้งไปแล้วความกังวลอะไรไม่มีเลยแอเย็นหมดแล้วนเหงื่อเต็มตัวเลยนะ ลูกขึ้นมาเดินไปตู้เย็นไปเปิดน้ำดื่มเหมือนคนห่อได้คำว่าเบาเบามันกี่กิโลเนะี่ยมันชั่งไม่ได้ความรู้สึกมันเบ า, าเปิดน้ำมาดื่มดื่มเสร็จบุหรี่อยู่ในกระเป๋าตอนจะนั่งนี่ไม่มีสิยังโกหกลูกค้ามาว่าร้านอาหารเรานี่ไม่มี MFG ไม่ได้ใช่ผงชูรสเข้ามาในครัวเนี่ตัวไม่มีเมต่เม็ดหนึ่งนะแต่มันผสมในน้าจิ้มมาเรียบร้อย สูบบุหรี่แล้วดือนน้ำเสร็จอบุบรีมาสูบสูบไม่ได้ทิ้งเลยนะ20ปีเศษในสูบบุหรี่วันหนึ่งสารเดือนพยายามเลิก4ครั้งไปปรึกษาหมอด้วยองมยาแล้วก็แล้วก็แล้วสุดท้ายไม่สำเร็จวินาทีนั้นสูบไม่ได้เปลี่ยนชีวิตเลยไม่ใช่กินไม่ไปกินเหล้าไม่โกหก ไม่ไปตีกรบไม่ยิงล็กตกปลาเป็นเพราะว่าเรากลัวผิดศีลไม่ไม่รู้เลยศีลคืออะไรก็คือมันไม่ต้องการนั่นหละคือความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตแล้วจากวันนั้นมาถึงวันนี้ยี่สิบปีย่างยี่สิบเก้าปีแล้วไม่ต้องคิดเลยแม้แต่หนึ่งอย่างไม่มีอนาคตไม่ต้องคิดเลยว่าเอ๊ะลูกมันยังเล็กอยู่ไงไม่ใช่เล็กนะสามคืนสี่วันเพราะปูไม่ได้หลับไม่ได้นอนเพราะว่า มันไม่ง่วงมันก็ไม่หิวด้วยหลับตาก็สว่างไม่มีราะเอีแตกต่างระหว่างข้างนอกข้างในกลางวันกลางคืนมันสว่างไป่พ้วันที่สี่เขาตื่นแล้วแล้วก็นั่งแล้วก็ลุกขึ้นไปจะไปห้องน้ํามันเกิดหมุนดีกลัวจะล้มลงไปนั่งกับพื้นมันระเบิดตู้อีกทีหนึ่งไอ้แสงนั้นก็หายไปกลับมาเป็นปกตินะนั่นแหละก็ไปเคลียร์งา น, นตา่างๆให้ให้ลูกน้องทําให้น้องทําห้ให้ร้านอาหารให้ลูกน้องมันทํา เพราะกูอยู่บ้านเฉยๆปีหนึ่งปีหนึ่งก็สุขสุขเพราะว่ามันไม่ทุกข์เท่านั้นเองคู่กูไปเจอศาสนารรความจริงว่าความสุขที่แท้จริงคือความไม่มีทุกข์ความไม่มีทุกข์ที่แท้จริงคือความมีสละทีนี้ก็พาแม่บ้านปฏิบัติเขาเหวียงไปเวียงมานะอาเจียนอาเจียนเหมือนคนแพทองก็พาไปหาหมอเจ็ตั้งทอง น้องดอนเดือนหนึ่งถ้ามาใช้อีกเดือนหนึ่งไม่ได้เกิดขึ้นกับเราเนียพราะกูก็รอทําไมรอปีหนึ่งรอน้องดอนคลอดครบหกเดือนแล้วก็อุ้มเด็กสองคนนี้พร้อมทั้งแม่บ้านก็มาย้ายจากเมืองนอกไม่ใช่ไปอยู่ม้านนอกนะตรงนั้นไม่มีถนนเข้าไปพราะกูนั่งเรือข้างไปไม่มีไฟฟ้าอยู่สิบเอ็ดปีไปอยู่ป่าเพราะกูไม่อ้างเลยว่าลูกยังเล็กอยู่มันยังไม่เกิดด้วยแค่อายุวกว่าเดือนหนึ่งอยู่ในท้องแม่ก็ หยุดก็คือหยุดเพราะเหมือนเราเห็นแล้วว่านิดนึ่งเรนไม่เป็นไรสายทีนึงก็เหมือในยังไงเหมือนเราอยู่บา้านเฉยๆเนี่ ย, ยไฟไหม้การดึกนถามว่าเราจะหนีไหมจะหนีไหมครับต้องคิดไหมว่าจะหนีไหมเหมือนเราเห็นเน่ะชีวิตมันร้อนไงก็เจอแล้วไงแล้วมันจะอยู่ให้มันร้อนทําไมหยุดก็คือหยุดเลยนั่นมันเป็นแบบนั้นแหละ ไม่ต้องคิดเลยนะอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้นะไม่ต้องคิดก็คือถอยจากตรงนั้นมาอยู่บ้านกรุงเทพช่วงหนึ่งหนีเสือป่าจระเข้แล้วกรุงเทพวุ่นวายกว่าอเมริกาอย่างเยีย่ยมนะไปอยู่บ้านเชียงในอาการดีๆก่อนเนะ่ยยี่สิบกว่าปีนะแต่ก็ไม่ใช่ละไปอยู่บ้านอบนุบลในเมืองก็ไม่ใช่นะพอถอยไปอยู่ในป่านั้นบอกเจอละนะจากวันนั้นถึงวันนี้ยี่สิบแปดปี แล้วก็วันนี้มีโอกาสดีก็มาพบการย่งชิงนะนนะทุกท่านแล้วก็สองสามวันนี้ไม่ไม่ต้องมีตัวตนมีอะไรแลกเปลี่ยนกันนะครับมีอะไรก็เขียนกันถามมาอะไรคิดว่าพ่อครูคือพ่อครูไม่ไม่ผ่านความคิดหาเหตุผลถามมามันตอบเลยนะไม่มีอะไรกัน้นบะังนะก็ให้ทุกท่าน ทำตัวสบายสบายมัอนอยู่บ้านเราซูนตรงนี้ไม่ใช่ของใครนะเ อ, อพวกผู้มีเราบอกว่าทุกคนจิตอาสาเท่านั้นจะนี่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจ้างอะไรถ้าจ้างอิจฉาสาตอนนี้ข้อ น, นี้คงเปิดไม่ได้ค่า <c> ใ <oughs> จ, จ่ายไม่พอนะเอาเป็นว่าเอาแค่องค์กร น, นี้เขาเดินไปได้รักษามันเป็นเครื่องมือเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ทุกคนมีโอกาสขึ้นมาปลดปล่อยนะวันไหนเครียดวันไหนไม่มี ไม่อยากไปมาพักผ่อนที่นี่มาปฏิบัตินะครับก็ช่วงนี้ก็จบแค่ น, นี้ก่อนแล้วก็พวกครูไม่ไปไหนนะครับช่วงนี้อยู่ตลอดเวลามีอะไรก็แลกเปลี่ยนกันโอเคนะชั่วโมงต่อไปเออชั่วโมงต่อไปเตรียมความพร้อมร่างกายจิตใจแล้วก็อารมณ์แต่เข้าห้องน้ําก่อนครับสักห้านาทีก็พอเชิญครับ